ก่อนจะฝึกสมาธิให้อธิษฐานสมาธิก่อนให้ว่าตามตมาต่อไปข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์จงมารุดบรรดาลให้ใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังทโฆ พุทโธพุทโธพุทโธอ่าเข้าสมาธิอันนี้ว่าอธิฐานสมาธิก่อนที่จะทำพิธีฝึกสมาธิเมื่อก่อนเราได้สอนเรื่องอาณาปานสติ คือกำหนดรูลมหายใจเข้ารูลมหายใจออกอนุสติสิบพุทธานุสติและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธสองธรรมานุสติและลึกถึงพระธรรมสมสังขานุสติและลึกถึงพระสงฆ์สจารานุสติและ ถึงทานที่เราได้บริจาค 5. ศีล า, านุสติและลึกถึงศีลของเรา 6. เทวตานุสติและลึกถึงเทวดาหรือคุณธรรมให้เป็นเทวดา 7. มรณ า, านุสติกำหนด ระ ล, ลึกถึงความตาย 8. กายคตาสติมีสติไปในกาย 9. อาณนาปานสติคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก 10. อุปสมานสติและลึกถึงความสงบคือพระนิพพานสประการนี้เป็นข้อปฏิบัติ เรียกว่าอนุสติสิบทีนี้เราก็ไม่เอาทั้งหมดเอาเฉพาะพุทธโธพุทธานุสติมีสติในพระพุทธเจ้าหรื่อพุทธโธพุทธโธพุทธโธเราสามารถกำหนดรู้ได้เส้นลมหายใจเข้า ลมหายใจออกแ ล, ล้วพุโทโธพุทโธไว้ในใจให้สังเกตดูสังเกตรูลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับบริกรมรมพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราไม่ต้องไปใส่ใจ ให้ใส่ใจแต่คำว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธเมื่อจิตเราตั้งกับพุทธโธนานเข้ามันก็จะสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมีประโยชน์หลายอย่างเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีเป็นความสุขความเจริญของเรา แรกๆใหม่ๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนอันนั้นไม่ต้องกงังวลให้เอาพุโทโธอย่างเดียวความเป็นพุโทโธพุโทโธนี้ไม่ใช่ว่าใครๆก็ได้เป็นพุโทโธหมดไม่ใช่ผู้ที่จะเข้าถึงพุโทโธนี่ จะต้องสร้างคุณงามความดีมา อ, อ, อันนี้อันต์แล้วหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันตัวอย่างเช่นพุทธเจ้าของเราก็สั่งสมคุณงามความดีมานานแสนนานตั้งแต่ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าทรงวนาทีปังก่อนท่านก็สร้างบารมีให้ทานรักษาศีลบาเพ็ญความดีทุกอย่าง อยู่ตั้งหลายสงไขยเสียสงไขยกับแสนมหากับนานมากกว่าจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเข้าถึงพุโทโธพุธโทโธไม่ใช่สมถะพุโทโธไม่ใช่วิปัสนาพุโทโธเป็นบทบริกรรมเพื่อให้เราสามารถพยายาม ให้ใจของเราอยู่กับพุทธโธให้ได้พุทธโธนี่แหละกว่าจะได้มาสร้างบา ร, รมีมานานแสนนานกับเดียวนี่สูงหนึ่งโยคือส6บหเส้นยาวหนึ่งโยกว้างหนึ่งโยศรอยปีเทวดาเอาเมล็ดงาโยนลงในสารนั้น เมื่อไหลเม็ด n g มันถึงจะเต็มเม็ด nga เต็มนั่นแหละเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งก็นานแสนนานส่วนอาังาขขยกับนั้นมันไม่สามารถจะกำหนดได้เลยมันนานมากพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็สร้างความดีมานานแสนนาน พระ อ, องค์จึงได้เห็นค า, าพุทธโธขึ้นในพระทัยของพระ อ, องค์ในบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างคุณงามความดีมานานแสนานานส่วนพวกเราทำตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ต้องพยายามมากคอยรู้อยู่ที่พุทธโธพุทธโธตลอด ก็สามารถพ้นทุกได้แม้เราจะไม่ได้สร้างบุารมีมาเต็มเปี่ยมตลอดเวลา4สียสงไขแสนหากลับก็ตามเราทำคุณงามความดีมาแต่เราพบระชาติรวมกันแล้วก็ได้เวลาหลายกลับเราทำความดีมาตลอด ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตลอดเราไม่ตกต่ำเราจะถึงซึ่งความสุขความเจริญแต่ข้อสำคัญให้คอยรู้รู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมกับนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปลองนึกพุโทโธดู จะเอาไว้ที่ไหนจะตั้งสติไว้ที่ไหนมันมีสติอยู่ตรงไหนเอาไว้ที่จมูกที่ลมหายใจเข้าออกนี่ก็ได้หรือเอาไว้ท่ามกลางอกก็ได้หรือเอาอยู่ท้องก็ได้ให้คอยเฝ้าดูอยู่จุดใดจุดหนึ่งในสามจุดนี้ อย่างเอาพุทโทนี่ก็คอยรู้อยู่ที่จมูกหรืออยู่ที่ท้องหรืออยู่ที่ท่าขกลางอกกยคอยรู้สึกว่าเราพดโทพุทโทอยู่ในนั้นถ้าเห็นพุทโทพุทโทอยู่ก็เรียกว่าเราภาวนาอยู่ตลอดส่วนที่ว่าจะเป็นสมถะเป็นนิพพัสน า, าอันนั้นก็ว่าเอาเองธรรมะของพุทธเจ้ามัน มีเท่านี้แหละความเข้าถึงพุทธโธนี่แหละก่าจะได้พระนามมาเป็นพุทธโธยากเสนยากส่วนพวกเราไม่ได้สร้างบารมีนานป่านนั้นทำตามคำสอนของพุทธเจ้าได้ก็ชือว่าเข้าถึงถามของพุทธเจ้าแล้วอรันสติ คือความรู้สึกระลึกได้ไม่เผลอไม่ลืมไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆหรือตามเรื่องต่างๆให้จิตของเราตั้งอยู่ที่พุโทโธอันเดียวให้อยู่กับพุโทโธเรื่อยๆ ให้คอยสังเกต ด, ดูถ้าสมมุติว่าเราสังเกตอยู่ที่จมูกเราก็เห็นลมเข้าออกเราต้องแก้ไขให้จิตของเราเป็นหนึ่งอยู่กับพุทธโธเดินไปก็นึกพุทธโธได้ ยืนอยู่ก็นึกพุทธโธได้นอนอยู่ก็นึกพุทธโธได้ตื่นขึ้นมาก็นึกพุทธโธได้ถ้าใครนึกถึงพุทธโธอยู่ทุกๆอินทรียาบทไม่นานเกินไปกินเราก็จะสงบเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจึงค่อยเอาไปพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงในตัวในตนของเราเพื่อให้มั่นใจขึ้นไปกว่านี้อีกขอให้ท่านพระมหาภัยบูรณ อ่นพุทธพจน์ตรงนี้ให้ผู้ปฏิบัติตามฟังเธอพึงตามระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้คลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี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 สมัยใดที่เมื่อเธอตามระลึกถึงตถาคตอยู่สมัยนั้นจิตของเธอนั้นไม่มีราคะกลุ่มรุมไม่มีโทสะกลุ่มรุมไม่มีโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของเธอนั้นเป็นจิตที่ดาเนินไปตรงทีเดียวก็เมื่ออริยสาวก เป็นผู้มีจิตดาเนินไปตรงเพราะปรารบตาคตย่อมได้ความรู้สึกต่ออัตตะคืออัตเวทย่อมได้ความรู้สึกต่อธรรมะคือธรรมเวทย่อมได้ปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อมีใจ ปีติกายย่อมสงบประงรับผู้มีกายสงบประงรับย่อมสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิพวกเธอทั้งหลายพึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อเดินอยู่พึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อยือนอยู่ พึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อนั่งอยู่พึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อนอนอยู่พึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อกําลังทํางานอยู่พึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อกําลังนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอนแบบนี้ให้ตั้งสติ ไว้ที่พุโทโธถ้าอธิบายมากมันก็จำไม่ไหวเอาแค่นึกพุโทโธพุโทโธในใจก็พอให้สังเกตดูลมนะลมมันออกมันเข้าก็แต่เราไม่ใส่ใจใส่ใจแต่พุโทโธอย่างเดียว ที่จะหมูให้คอยสังเกตตัวนี้และจุดนี้แหละที่เราจะทำความสงบให้กับตัวเราได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละอาจารย์ของอัตมาคือหลวงพ่อวิริยังก็อสอนพุทธโธพุทธโธ อาจารย์ของอัตมาอีกคนหนึ่งคือหลวงปู่เทศเทศสลังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอชิชม่จังหวัดนองกายก็เขียนไว้ว่าเขียนเป็นดังสีเล็บหนึ่งเลยแหละฝึกสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ วริยกรมคือทำซ้ำทำย่ำทำอยู่เรื่อยพุทธานุสตินี่จะให้มันไปคิดเรื่องอื่นให้เห็นพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อ ย, อยวันพรุ่งนี้เวลาฟังธรรม ก็จะใช้หลักสูตรที่หลวงปู่พุทธทาสท่านเอามาจากข้าตดปีดกส่วนวิธีฝึกสมาธิอัตมา ก, ก็จะคอยดูแลส่วนอ่านหนังสือทรบ ม, มาให้ฟังก็ให้เป็นหน้าที่ของท่านพม่าไปบูญ ให้เราสังเกตดูเรื่อยๆจใจเราให้อยู่กับพุทธโธเรียกว่าอนุสติอนุสตินี่มีอยู่สีบอย่างพุทธานุสติแล้ึกถึงโอปปจเจ้าธรรมานุสติแลึกถึงพระธรรมสังขานุสติแลึกถึงพระสงฆ์จาคานุสติ แล้วลึกถึงทานที่ได้บริจาคไว้ศีลานุตสติแล้วลึกถึงศีลของเราเทวตานุสติแล้วลึกถึงเทวดาหรือธรรมะให้เป็นเทวดาเจ็ดมรณาสติแล้วลึกถึงความตายแปดกายคตาสติแล้วลึกถึงร่างกายของตัวเรา เก้อาอนาปานสติกำหนดรูลมหายใจเข้าออกสิบอุปสมานสติความเข้าไปสงบระ ง, งับซึ่งเรียกว่าระลึกถึงพระนิพพานอันเป็นธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีมาก็เพื่อถึงความเป็นพระพุทธเจ้านั่นเอง พระองค์ได้แล้วจึงสอนพวกเราต่อมาสอนมาเรื่อยๆสอนรายมากหนังสือเล่มใหญ่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราเอามาทั้งหมดไม่ได้หรอกเอาแค่ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็ดีแล้วพุทโธทพุทโตนี่ ให้มันอยู่ถ้ามันง่วงมันเหนื่อยก็ให้นึกพุโทโธไว้อยาให้มันหลงมันลืมคนใกล้จะตายอัมาก็ญาติเขาอยู่ที่โรงพยาบาล เขาก็จะตายแล้วเป็นมะเร็งกลับมาบ้านได้สามวันดินทนทุรนทุลายนึกอะไรก็ไม่ออกเพราะไม่เคยปฏิบัติไม่เอาเหรียญ ล็อกเก็ตเนี่ยอยากเลยเอาล็อกเก็ตให้ดูพอแกเห็นร็อกเก็ตแกก็เกิดศรัทธาต่อมาก็ใจขาดตายแต่ว่าตายก่อนตายนั้นดิ้นทุรนทุลายพอเห็นร็อกเก็ตแล้วก็เงียบสงบลงไม่ดิ้นทุรนทุลาย ตายก็เงียบปุบไปตายแล้วเป็นเทวดาเนี่ยดูสิอันนี้ก็อนุสตินี้แหละถ้าอย่างพวกเราทำอยู่นี่นึกพุทธโธพุทธโธอยู่ตลอดนี่มันไม่ตกต่ำหรอกแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์คือคำสอนของพระพุทธเจ้า บันทึกกระไตายปโฎกไว้ตัต้งเก้าสิบเอ็ดเล่มถ้าพิมพ์ขนาดเล็กจะได้ร้อยเล่มแต่ที่ทาเป็นเล่มใหญ่อันนี้เป็นคำสอนของพระุธทธเจ้าทั้งนั้นมัทธะคุณธารีเทพบุตรไม่ได้ด ก, กินไม่ได้ทานป่วยหนะัก นอนอยู่บนบ้านพ่อก็เป็นคนขี้เหนียวมากขนาดป่วยก็ไม่พาลูกไปหาหมอกลัวเขาจะเห็นทรัพย์สมบัติก็เอาลูกชายมาไว้ข้างนอกบ้านชื่อว่ามัทธะกุทธารีไปว่าผู้มีตุ้มหูเกี้ยงเกลี้ยงทับเองไม่ไม่จ้างช่างนะ ไม่ช่างทำให้แต่ทำเอาเองทำให้ลูกชายนะพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิตอนเช้าตีห้าพิจารณาดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุคือดวงตาของพระพุทธเจ้าต่อมาพระพุทธเจ้าก็เสด็จไป เขาก็หันหน้าไปทางฝาบ้านไม่ได้หันหน้าออกทางถนนเพราะพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตาไปเป็นแสงวาบขึ้นเขาเลยพลิกตัวมาเห็นพระพุทธเจ้าก็ เ, าเกิดความเรื่อมใส่ร้าทาอย่างมากต่อมาก็ตาย ตายก็เกิดไปเป็นเทพเทวดาอันนี้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเขาก็มาถามพระพุทธเจ้านะคนนะ่ะว่าเพียงแต่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอำนวนึกถึงพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นหรือที่ไปสวรรค์ได้ พุทธเจาบว่ไม่ใช่เท่านั้นทำหมานุสติก็ได้สังขานุสติก็ได้ชาขนุสติก็ได้ศีลานุสติก็ได้เทวตานุสติกวรณานุสติกกายคตาสติอาไนาปานุสติกอุปสมานุสติถ้าเรามีอนุสติเหล่านี้อยู่ในใจอนุสติสิ อันใดอันหนึ่งก็สามารถไปสวรค์ได้อย่างคนนึกพุโทโธพุธโทพธโทธหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานึกพุโทโธพุทโธสอนลูกศิษย์ลูกหาก็สอนให้นึกพุโทโธเราก็เป็นลูกเป็นหลานลก็หลวงปู่มั่น จะสอนเรื่องอื่นก็ได้เช่อนอาปาณสติอย่างนี้ก็ได้แต่หลวงพู่มัน่นหลงปู่สาวท่านสอนพุโทโธลึกถึงพุโทโธในใจสังเกตดูให้ดี ว่าใจของเราอยู่กับพุโทโธหรือไม่ตั้งสติเฝ้าดูพุโทโธพุธโทโธไว้ถ้ามันสงบแล้วนั่นถึงเราจะไม่บริกรรมพุโทโธก็ได้พเพราะจิตมันสงบแล้ว ก็รักษาความสงบนั้นไว้เข้าออกชำนานเวลาจะทำสมาธิอธิษฐานใจเสร็จก็นั่งขัดสมาธิคอยกำหนดพุดโทโธพุโทโธท่องพุโทโธอยู่ในใจเหงือนเราท่องสูตรคูนั่นแหละ ท่องไว้ในใจทำใจให้มันสงบอยู่กับพุทโธลองเอาความสงบขยับมาที่หน้าอกดูเอาสติคือความรู้สึกและลึกได้ มารู้อยู่ที่ท่ามกลางอกดูหลวงปู่เทศสอนว่าจิตอันไหนใจก็อันนั้นคือเป็นนามมาทำไม่มีตัวตนแต่เรารู้สึกได้ท่านบอกว่าเอ า, เอาไว้ท่ามกลางอกก็ได้ท่านหลวงปู่เทศจางนี้ อาตมาก็ไปทดลองปฏิบัติดูหลายปีก็รู้สึกว่าจิตสงบสบายอย่าเพ่งตั้งรู้ไปตรงนั้นเฉยๆบางคนก็ว่าพุโทโธเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนา อันนั้นเข้าใจผิดกูบาอาจารย์ท่านสอนมาปฏิบัติมาท่านก็พ้นทุกได้กระดูกเป็นพระธาตุเริ่มต้นกับฝึกพุทโธนี่แหละ